พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไวิหะอัตตาหิอั ต, ตโนนาโถโกหินาโถปรโรสิยาอั ต, ตนาหิสุดันเตนะนาถังละลพติดุลละพัง<ม>ตนแลเป็นไี้พึ่งของตน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 พระองค์ทรงตัดไปเช่นนี้ก็เพราะว่าตั้งแต่ครั้งพุทธการนั่นนะพวกพราหมณ์ทั้งหลายเขามีคติทำอยู่ในใจว่าความรักบุตรนั่นแหละยิ่งกว่าความรักอื่นใดเพราะว่า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 เพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้แล้ว <c oughs> พระองค์จึงได้ทรงพาสิทธิไว <c oughs> เพื่อให้พุทธบริษัทได้พิสูจน์เทียบเคียงกันดู <c oughs> อะไรจะเป็นความจริง <c oughs> เมื่อพิสูจน์ดูแล้วข้อที่ว่า ตนแลเป็นอิพึ่งของตนหรือว่าความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีอันนี้นะว่ามีน้ำหนักมากกว่าก่อนที่คนเรานะจะได้ลูกได้เต้าแล้วพอตนเกิดมามาดาวิดาเลี้ยงให้เจริญไว้ใหญ่โตมาแล้ว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 บุคคลผู้หวังความเจริญแก่ตนนะ่ก็จึงรักษาตัวประพฤติตนให้เป็นคนดีแล้วก็ถึงจะได้เมียแล้วก็ได้ลูกมาถ้าบุคคลใดไม่รักตนนหละไม่ทนุถนอมตนมันก็ไม่ได้เมียไม่ได้ลูกประพฤติตนให้เป็นคนเกเรไปต่างๆนาๆนาเ น, นี่ยใครๆเขาก็ไม่ตรงการ คือบุคคลผู้เกียรตค้านทำการทำงานแล้วจะไปหาลูกหาเมียอย่างนี้มันก็ไม่ไม่ไปหาเพราะมันจะเลี่ยงเขาไปไม่ไวเพราะฉะนั้นแหละการที่บุคคลจะเป็นผู้ตั้งเนื้อตั้งตัวได้ในทางไหนก็ตามแหละก็เพราะอาศัยความรักตนนี่แหละ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 เพราะอำนาจของกิเลสบาประธรรมนั่นแหละมันบันดาลให้คนเราทำความชั่วใส่ตัวเองนี่ผู้ใดรักตนแล้วมันก็ต้องเพียรละกิเลสบาประธรรมออกจากากายวาจาใจ <c oughs> กิเลสก็ไม่ใช่อื่นไกลคือความโลภความโกรธความหลงหรือว่าว่าอีกสัพบหนึ่งก็เรียกว่าราคะโทสะโมหะ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 <c oughs> ความโกรธนั้นมันก็มีความโกรธเมื่อทําใครทําอะไรไม่ถูกอกถูกใจมันก็ฉุนเฉียวขึ้นมาแต่มันไม่รุนแรงถึงกับจะลงไม้ลงมือประหัตประหารผู้อื่น <c oughs> ต่อเมื่อระงับความโกรธอันนั้นไม่ได้แล้วบ้านี้ก็เอาแหละเมื่อความโกรธนั้นมันรุนแรงขึ้นมันก็กลายเป็นความพยาบาท เป็นโทสะร้ายกาศสามารถประหารประหารผู้อื่นได้เลยเพราะฉะนั้นแหละเมื่อบุคคลใดรักตนปรารถนาที่จะให้ตนเป็นสุขแล้วมันก็ต้องให้พี่นายเห็นโทษกิเลสเหล่านี้ แล้วเพียนพยายามลากกิเลสเหล่านี้ให้เบาบางออกไปจากกิจใจการที่บุคคลจะมาลากกิเลสเหล่านี้ได้มันก็ต้องฝึ ก, กจิตใจในวันนี้ <c oughs> เพราะว่ากิเลสมันหมักดองอยู่ในจิตดวงนี้มันไม่ได้อยู่ที่อื่น ก็เมื่อไม่มาฝึกใจนี่ให้สงบลงไปแล้วมันจะรู้กิเลสได้ยังไงอ่ะเมื่อฝึกใจนี่ให้สงบลงอำนาจแห่งความสงบเนี่ยมันไปกระทบกับกิเลสกิเลสมันก็ดิ้นบะนี่นั่นแหละมันก็แสดงอาการต่างๆตนก็รู้บะนี่นะนี่ฤทธิดเดชของกิเลสเป็นอย่างนี้อย่างนี้เมื่อตนน้อมจิตเข้าสู่ความสงบ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 ไม่อยากทำแล้วไม่รู้ตัวอะไรว่าความเกียดคร้คานมันเป็นภัยต่อชีวิตอย่างไรพอความเกียดคร้คานก็ ง, งามจิตใจใจก็อ่อนพับไปตามเล ย, ยเลยทำความดีอะไรไม่ได้แล้ววันนี้ <c oughs> นี่แหละไอทาทั้งหลายเนะี่ยมันมีคู่ปรับอยู่นะกับกิเลส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 คนใดไม่รู้จักสอนตัวเองเตือนตัวเองแล้วจะไปสร้างคุ ณ, ณธรรมอันดีงามอะไรให้เกิดขึ้นในใจก็ไม่ได้แล้วนี่ให้พึงเข้าใจพมายถึงว่าตนเองสอนตอนเองนั่นดีกว่าให้ผู้อื่นสอนผู้อื่นสอนนั้นท่านก็สอนได้เป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งสอนเราอยู่ตลอดเวลาได้เมื่อไหร่ะ อันตนเองนั่นย่อมมีโอกาสสอนตนเองได้ทุกเมื่ออะไรถ้าตนเองไม่ประมาทนะถ้าประมาทแล้วก็อย่างว่านั่นแหละมันก็สอนตัวเองไม่ได้อาอจิตใจตกเป็นทา่าของกิเลสตัณหาแล้วมันก็ไม่มีอุบายอะไรที่จะมาสอนจิตสอนใจตัวเองเลยนั่นเรียกว่าความประมาทที่ว่าไม่รักตนคนเช่นนั้น่ะไปรักกิเลสตัณหายิ่งกลัวตน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 นี่มันเป็นอย่างนี้นะคนเราเหตุที่มันจะหลงนะ่ะความรักนี่มันก็อุปมาเหมือนอย่างยาพิษเคลือบน้ำตาลนั่นเองเนะี่ยธรรมรายาพิษเมื่อเราเอาเข้าปากทีแรกอมเข้าไปในี่รู้สึกหวานช่ำนั่นเลยชวนให้กลืนลงในกระเพาะนุ่น เดีนี้พอน้ำตาลละลายออกไปยาพิษละลายออกเทนี้เอาแล้วยาพิษมันทำฤทธิ์แล้วแบบนี้บนะุคคลผู้นั้นก็ถ้าหากว่าไม่ถึงตายก็เลยว่าคางเหลืองนะส่วนมากมิถัตตายนะถ้าใครได้กินยาพิษลงไปแล้วอั <c oughs> นนี้ก็เหมือนกันนะผู้ใดตกเป็นท่าแห่งความรัก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 ตัวเองหากสร้างขึ้นมเมื่อสร้างมันขึ้นมาแล้วมันก็เผาตัวเองเหมือนยังไฟนี่แหละเมื่อโมคอนเอาหญ้าแห้งมาอืไม่แห้งมารวมๆเข้าแล้วจุดเข้าไปอย่างเนี้ยไฟมันก็ลุกขึ้นมันก็ไหมสิ่งเหล่านั้นไปไม่มีเหลือไฟมันก็เกิดจากคนแบบ น, นี้น่นะคนนั่นแหะ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 เชื้อสายสืบเนื่องกันมาแต่อดีตชาติหนหลังนะู่นฮะไม่รู้ว่ากี่ชาติมาแล้วที่ท่องเที่ยวเกิดตายมาในสงสารนี่ก็อาศัยกิเลสเหล่านี้แหละเป็นพาหานะอืเสวยสุขบ้างเสวยทุกบ้างมาในสงสารอันนี้นะนี่หละให้พึ่งพากันคิดให้ดีอื ทีนี้ท่านผู้ใดเป็นผู้ตื่นตัวล่ะ แ, แล้วรู้จักรักตัวเองให้เป็นบนัดนี้ท่านผู้นั้นก็พยายามสั่งสมบุญกุศลบารมีธรรมให้แก่กล้าขึ้นในตนชอบบุญชอบกุศลพอมองเห็นแล้วเนี่ยสิ่งอื่นที่จะมาอํานวยความสุขให้แก่ตนไม่มีเลยมีแต่บุญกุศลนี่เท่านั้น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 ควรพากันศึกษาให้รู้ให้เข้าใจวิถีชีวิตของตนให้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอ <c oughs> พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนเรารักตนเองยิ่งกว่ารักสิ่งอื่นนี่ธรรมะบรรยายที่แสดงในวันนี้นะเมื่อเป็นเช่นนี้ เมื่อตอนหากว่าตนเป็นที่รักของตอนอย่างยิ่งเนี่ยตนก็ต้องดำริซี่ว่าทำอย่างไรตนึงจะพ้นจากทุกข์ทำอย่างไรตนจึงเป็นทุกข์นี่ต้องให้รู้ทั้งสองหน้าถ้าไม่รู้สองหน้าอย่างนี้ ม, น ม, น ม, มันไม่เบื่อทุกข์นั่นเอเมื่อพิจารณาดูแล้ว โอ้ตนไปยึดถืออย่างนั้นอย่างนั้นตนถึงเป็นทุกข์ตนไปยึดถือเอาทางแห่งความชั่วไปยึดถือเอาสิ่งที่ไม่เป็นสารประโยชน์มาเป็นอารมณ์เหตุนั้นตนถึงได้เป็นทุกข์นี่ก็มันก็รู้สิปานี่เมื่อมันรู้อย่างนั้นมันก็ละเหตุอันนั้นแล้วมันก็ไม่ยึดถือเอาเหตุแห่งความทุกข์เหล่านั้นไว้ในใจ ทำยังไงตอนอยังเป็นสุขก็ต้องพิสูจน์พิจารณาดูว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างไรอะ่ะนั่นแหละแต่คำสอนของพระองค์มีมากมายฮะแต่สรุปลงแล้วก็มาชำระจิตดวงนี้นี่ น, นั่นแหละเพราะว่าจิตดวงนี้ เมื่อเหาว่ามันมัวหมองอยู่ด้วยอุปกิเณ์ต่างๆแล้วมันก็เป็นทุกข์กลวงกันข้ามถ้ามาชําระขับไล่อุปกรณ์ป่าประธรรมต่างๆออกจากจิตดวงนี้แล้วจิตดวงนี้มันก็สงบไม่เดือดร้อนสว่างแล้วก็สบายอมันก็อิม่มไม่ดิ้นรนทะเยอทยานเนี่ยลักษณะความสุขของดวงจิต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 วิบัติแปรปวนไปแล้วความสุขเหล่นั้นก็หายไปตามกันนั่นแหละท่านยิงเรียกว่าความสุขจอมปลอมอะ่ะการมาชำระจิตใจให้ผ่องใสสะอาดปราศจากกิเลสบาปปะธรรมนี่อันนี้เป็นความสุขไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งใดจิตนี่นะเมื่อกิเลสบาปธรรมมันลังงับออกไปแล้วมันตั้งมั่นลงด้วยตนเองเลยวันนี้ไม่ต้องไปอาศัยสิ่งอื่นแล้ว มันตั้งมั่นลงเองเนี่ยไม่มันอิ่มมันอยู่ตัวอะไรเอนที่มันหิวอย่นั้นพอกิเลสมันย้อมเอาเรื่องมันนะตัณหามันย้อมจิตให้เกิดความอยากความหิวไม่รู้จักจบจักสิ้นนั่นนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันเพียนพยายามชาระ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 ปราศจากความโกรธความวิยบาทต่างๆเอาภาวนาเอาสติสมัมปชัญญะมาำะํำระจิตใจอันนี้ <c oughs> ให้บริสุทธิ์จากความหลงความไม่รู้ตัว <c oughs> สร้างสติสมัมปชัญญะให้แก่กล้าขึ้นไปแล้วมันก็รู้ตัวได้แล้ววะนี่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 มันก็ปล่อยก็วางขันห้านี่ได้เมื่อมันรู้ตัวอย่างนี้แล้วนะนั่นและท่านจึงว่าไอความหลงเนี่ยไม่ไม่มีอย่างอื่นที่จะกำจัดมันได้มีภาวนานี่แหละภาวนาคือทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนี้อย่าส่งกระแสจิตให้ไหลไปตามอารมณ์ภายนอกอ ถ้าส่งกระแสจิตนี้ให้ไหลไปตามอารมณ์ภายนอกแล้วก็ลืมตัวแหละไม่รู้ตัวเลยว่าจิตใจของตอนมัวหมองอยู่อย่างไรจิตใจของตอนยึดเอาบาปเอาความชั่วไว้อย่างไรก็ไม่รู้เลยไม่สามารถจะละความชั่วเหล่านั้นได้เพราะไม่รู้นี่เมื่อทวนกระแสเข้ามารวมกําลังกันอยู่ภายในนี้แล้วอืกําลังศีลก็มีกําลังสมาธิก็มีกําลังปัญญาก็มี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 ก็พยายามละมันไปทีละเล็กทีละน้อย